บุกทูสี่สิบการสอบถามทางอุอขอโทษครับอติอช่วยผมทีได้ไหมครับ ทถานี้มีร้านอาหารดีดีไหมครับเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับ ตนต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งรอยเมตรครับ no. คุณสามารถไปด้วยรถเม ก, ก็ได้คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ หลกักโกกริสดิสตรัมวยมคุณขับรถตามผมไปก็ได้ลกักโอโนสต no p e ปเล เ, เตมมผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับ k าโคีดมดนโกรมิดเตดิ a ข้ามสะพานไปครับพรีกเตมูส ลอดอุโมงไปครับ t e pelite se skozi tunel ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ pelite se dotreti g semafora ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับ p o t m zavite p r u l i c na desni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 Najbolje je, da greste ต์สปูดซิ s k o ž e l e z n i c ิ o ซอออกที่สถานีสุดท้ายจับเพลีย e เสะโนสต้าอโนดอคอนช์เน่พอสตายเอคารุนาไปที่ www. b o o k t o de ส a หรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด